วันนี้เป็นวันพระอาทิสสัยสบดีที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนสวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ศรัทธาญาติโยมพุทธบุตสัตว์ผู้ไายทำให้เข้าหาบัณฑิตกันให้เข้าหาคนฉลาดบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้ นี่คือบัณฑิตหรือคนฉลาดทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ถ้ายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้จะไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดที่แท้จริง แต่ไม่ได้เป็นบัณฑิตที่แท้จริงคนที่มีความรู้ทางโลกที่จบปรบิญญาระดับสูงสุดของโลกได้รับเกียรตินิยมได้รับจากสถาบันการศึกษาที่อันดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิต เป็นคนฉลาดที่แท้จริงเพราะว่ายัางไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากทางโลกนี้มากำจัดความทุกข์ทางใจได้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเือรู้วิชาการของทางโลก แต่ไม่สามารถนำเอาวิชาที่รู้นี้มาดับความทุกข์ของใจได้เลยจึงไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตยังถือว่าเป็นคนพานอยู่คือคนไม่ฉลาดคนฉลาดแล้วต้องรู้จากวิธีและความสามารถกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราอย่าไปคบคนพาลคนไม่ฉลาดให้คบคนฉลาดให้คบบัณฑิตเพราะว่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่งอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาเอตัมมังกาลมุตต ม, มัง อาศวัวนาจะบาลานังก็คืออย่าคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ฉลาดคนพานคนพา น, นี่คือคนไม่ฉลาดไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้เรียกว่าคนพานให้คบบัณฑิตคือคนฉลาดที่มีความรู้ความสามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้พอถ้าได้ถ้าถ้าไม่คบคนพาลก็จะได้ไม่เสียเวลาเพราะคนบาลจะไม่สามารถที่จะสอนวิธีกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้คบคนพาลแล้วก็จะเสียเวลาไม่ได้คุณไม่ได้ประโยชน์ไม่เป็นมงคลไม่สามารถยกระดับจิตใจให้ มีความสุขความเจริญมากขึ้นสูงขึ้นให้กำจัดความทุกข์ทางใจให้ลดน้อยลงไปจนหมดสิ้นไปได้ครับคบคนไม่ฉลายก็จะเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตกา ร, รเพราะชีวิตของการได้มาเป็นมนุษย์นี่เป็นเป็นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเอาเวลาไปคบกับคนพาลไปเรียนรู้วิชาการทางโลกถึงแม้จะสามารถนำเอามาประกอบอาชีพมีรายได้ดีได้ดีก็ตามแต่รายได้ที่ได้มา จากการได้เรียนรู้วิชาความรู้จากคนที่ไม่ฉลาดคนฉลาดทางโลกแต่ไม่ฉลาดทางธรรม mm hmm. ก็จะไม่สามารถเอาเงินทองเข้า mm hmm. เงินทองที่ได้ไ ด, ได้ได้มาจากการทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญเอาม า, อาดับความทุกข์ทางใจได้อ mm hmm. นี่คือ แต่เหตุที่เราไม่ให้ ค, บ, บ, คบคนผ่านคบคนไม่ฉลาดไม่ใช่เพราะว่าเรารังเกียจไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าจะให้รังเกียจก็ยังมีความเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนฉลาดหรือคนไม่ฉลาดก็ตามเป็นมิตรกับทุกคนอยู่แต่จะไม่เข้าไปหาเพื่อเรียนรู้จักเขาให้เขาสอนเรานะเพราะว่าเขาไม่สามารถสอนให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้เลย mm. ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจเราก็ยังจะต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm. ไปเรื่อยๆ เ, mm. เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ mm. ที่เวียนว่ายตายเกิดของสตว์โลกทั้งปวง mm. เพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้พบกับบัณฑิตไม่ได้คบกับบัณฑิตและบัณฑิตก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่จะหาคบได้ง่ายด้วยถ้าพบใดชาติใดที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราได้มีโอกาสได้เข้าได้พบกับบัณฑิตทางสพพะพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนให้ผู้ที่ได้มาศึกษาได้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นการเกิดมาเกิเป็นมนุษย์นี้มันเป็นเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากโดยเฉพาะในช่วงที่มีพระพุทธศาสนามีผู้ที่จะสามารถสั่งสอน ให้พูดไปศึกษาไปปฏิบัติได้ดุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จึงต้องรู้จักคบคนรู้จักเลือกคบคนเพื่อเรียนรู้ถ้าคบกันเพื่อเรียนรู้เราต้องรู้ว่าคนไหนฉลาดกว่าเราคนไหนไม่ฉลาดกว่าเราพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกว่าเราหรือฉลาดเท่าเราครบเป็นเพื่อนได้ก็อยู่ อยู่ตามลาพังไปจะดีกว่าเพราะถ้าไปคบกับคนที่โง่กว่าเราเนี่ยเขาจะทําให้เราโง่ตามเขานั่นเองหรืออย่างน้อยเขาก็จะไม่สามารถทําให้เราฉลาดขึ้นได้ใครก็จะเสียเสียชาติเกิดชาติของมนุษย์นี่เป็นชาติที่มีคุณค่ามากนานๆที่จะได้มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง แล้วถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศา ส, า ส, าสนาแล้วก็ถือว่าได้ถูกรอตลี่รางวัลที่หนึ่งเพียงแต่ว่าเมื่อถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ต้องไปรับรางวัลถ้าเก็บรอตลี่ไว้เฉยๆไม่ไปยื่นที่ที่กองสลากก็จะไม่ได้รับรางวัลจากการที่ถูกรอตลี่รางวัลที่หนึ่ง ทางาศาสนาก็เหมือนกันการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นเป็นรางวัลอันเลิศอันประเสริฐเพราะว่าจะสามารถศึกษาและปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของใจได้ให้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้มันสิ้นสุดลงได้ด้วยการมาเกิดในภพที่ เป็นมนุษย์และในภพที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้อบรมสั่งสอนดันั้นรู้จักคบคนถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากเขาถ้าไปคบคนที่เขาไม่ฉลาดไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์เราก็จะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไปคบกับคนที่ฉลาดที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะสอนให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้พอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามเราก็จะได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนการได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถือเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความสุขใจที่เป็นบร ม, มสุขไม่มีวันสิ้นสุดเก<ม>ินนิบานังปรมังสุขขัง<ม>ความสุขของพระนิพพานก็คือความสุขของการไม่มีการเกิดนั่นเอง<ม>และจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเข้าหาบัณฑิตเข้าหาผู้ที่ได้เข้าถึงพระนิพพานแล้ว ผู้ที่เข้าหาเข้าถึงพระนิพพานได้แล้วก็มีสองสองพวกด้วยกันสองบุคคลด้วยกันบุคคลแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้สามารถยุติกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และบุคคลที่สองที่สามารถที่จะทําตามพระพุทธเจ้าได้ ก็คือพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะศึกษาจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนได้อย่างอย่างดีงามอย่างสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพาน ที่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วหลังจากที่ท่านได้ปลุดพ้นแล้วได้เข้าถึงพันธิพานแล้วถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะใช้เวลาของที่ของชีวิตที่มีเหลืออยู่นี้ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป ท่านจะไม่มาหาเราเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่มาหาเราจะไม่มาเรียกร้องให้เราไปศึกษาไปปฏิบัติเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองเพราะว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความยินดีต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติคําสอนเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะจะสอนได้ผู้ที่จะศึกษานี้จะต้อง เป็นผู้ที่มีความยินดีมีศรัทธามีความเชื่อในคําสั่งคําสอนของผู้ที่ไปศึกษาด้วย mm hmm. โรงเรียนนี้เขาไม่ม า, มาที่บ้านเราเอามาเอาเด็กมาเรียนไปเรียนหนังสือกัน mm hmm. มันเป็นเรื่องของคนที่อยากจะเรียนต้องไปติดต่อกับที่โรงเรียนไปสมัครเรียน mm hmm. เพราะการเรียนหนังสือนี่มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายมันไม่่เหมือนกับการไปเที่ยว การไปเที่ยวนี่มันง่ายแต่การไปศึกษาไปเรียนหนังสือนี่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมนี่ต้องมีความเพียรพยายามเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นเวลามาก <Okay. S 2> ทางโลกนี่กายจะได้ปิญญาใบาแรกมาระดับปิญญาตีนี่ <Okay. S 2> ก็ท่าน้ำตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปก็อย่างน้อยก็สิบหกปีขึ้นไปลนะสิบหกปีหรือมากกว่า okay. นี่นับจากปหนึ่งปหนึ่งถึงม .6 ก็สิบสองปีแล้วปริญญาตีและตีอีกสี่ ป, ปีก็เป็นสิบหกปีถ้านับอนุบาลด้วยก็เดี๋ยวนี้ก็มีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนี่คือการเรียนรู้ทางโลกยังต้องใช้เวลาถึงสิบสิบแปดปีด้วยกัน ถึงจะสามารถจบปริญญาขั้นแรกได้คือขั้นปริญญาตรีถ้าอยากจะเรียนโทต่ออีกใบก็ได้ต่ออีกสองปีเป็นยี่สิบปีอยากได้ปริญญาเอกก็อาจจะต้องต่ออีกห้าปียี่สิบห้าปีด้วยกันถึงจะสามารถสำเร็จเรียนสำเร็จวิชาทางโลกได้ขั้นสูงสุดแล้วทางธรรมนี่ทำไมจะ ต้องปฏิบัติแบบรู้ปฏิบัติวันนี้ศึกษาวันนี้และบรรลุวันนี้กันเลย <Yeah. S 1> อันนี้มันเป็นกรณีพิเศษสําหรับคนที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทางธรรมมาอย่างต่อเนื่องหลายภพหลายชาติมาแล้วในอดีต <Yeah. S 1> พอมาเกิดในภพนี้ชาตินี้พอได้เจอคําสั่งคําสอนก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้และสามารถ บรรลุปริญญาทางพระพุทธศาสนาได้ในขณะที่ฟังธรรมครั้งแรกเลยก็มี <Yeah. S 2> แต่นี่มันเป็นเรื่องกรณียกเว้นไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไป <Yeah. S 2> กรณีทั่วไปนี้ <Yeah. S 2> เขาเจ้าบอกอย่างน้อยก็ต้องมาบวชเป็นพระก่อน <Yeah. S 2> แล้วก็มาปฏิบัติต <Yeah. S 2> ามแนวของสติปัฏฐานสี่ถ้าสามารถบวชเป็นพระแล้ว ศึกษามาปฏิบัติตามแนวของสติประฐานสี่ได้พระเจ้าก็บอกว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สามารถบรรลุเป็นพระอรหรันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้นี่ขนาดต้องมาบวชเป็นพระแล้วไม่มีภารกิจการงานในทางโลก มีแต่เวลาให้กับการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่คือเจริญสตินั่งสมาธิเจริญวิปัสนาเจาริญปัญญาตามลำดับเนี่ถึงจะสามารถที่จะทำใจให้หลุดพ้นได้และแต่ละคนความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่ได้สะสมมาก็มีไม่เท่ากันบางคนมีมากก็สามารถ ศึกษาะปฏิบัติจนบรรลุได้ภายในระยะเวลาเพียงเจ็ดวันก็มีบางคนก็ต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนบางคนก็ต้องใช้เวลาเจ็ดปีหรือบางคนก็อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะไม่บรรลุเลยในภพนิชาตินี้ก็มีพวกที่บวชในสมัยพุธกาลนี้ไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ได้หมายว่าจะหลุดพ้นด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนบางคนก็หลุดพ้นบางคนก็ยังไม่หลุดพ้น เพราะความรู้ความสามารถที่เรียนรู้นี้ยังไม่เพียงพออาจจะเป็นเพราะอ่อนศรัทธาอ่อนความเพียรก็ได้ตัวที่จะวัดตัวที่จะผลักดันให้เกิดผลเกิดการบรรลุขึ้นมาก็อยู่ที่ความเพียรพยายามความศรัทธาความศรัทธาในคําสั่งคำสอนถ้ามีศรัทธามากก็จะมีความเพียรพยายามมาก ถ้ามีความเพียรพยายามมากมการหลุดพ้นจากความทุกข์<ม>การบรรลุธรรมนั้นก็จะเร็วขึ้น<ม>อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพระพุทธการ<ม>คือผู้ที่ได้เข้าหาบัณฑิต<ม>เข้าหาพระพุทธระเจ้า<ม>ก็มักจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีแต่ผู้ที่ไม่หลุดพ้นก็มี ม, มีมีพราหมคนหนึ่งถามพระอุเจ้า ว, ว่าพระองค์เป็นผู้สอนให้ผู้มาศึกษามาปฏิบัติให้หลุดพ้นให้เข้าถึงพระ น, นิพพานแต่ทาไมถึงไม่สามารถทำให้ทุกคนหลุดพ้นได้ทำไมบางคนก็หลุดบางคนก็ไม่หลุด พระจ้าบอกว่าเราเป็นเราเป็นคนสอนเรามีหน้าที่สอนเท่านั้นส่วนคนจะหลุดไม่หลุดนี้อยู่ที่การปฏิบัติของเขาเราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติแทนเขาได้ถ้าเราปฏิบัติแทนเขาได้เราก็จะรับประกันว่าทุกคนที่มาเรียนมาศึกษากับเราจะต้องหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนแต่มันเป็นหน้าที่ของผู้ที่มาศึกษาว่าจะมีศรัทธามากน้อยเพียงไร จะมีความภาคเพียงที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาได้มากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นตัวที่จะวัดความสำเร็จอันนี่คือเรื่องของการเข้าหาบัณฑิตคนฉลายอย่าปล่อยให้เวลามีค่าของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้หมดไปกับการไปแสวงหาความรู้ทางโลกเพื่อที่จะได้มาหา ลาบยศสรรเสริญสุขกันเพราลาบยศสรรเสริญสุขนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อาจจะดับได้เป็นพักๆไปเช่นเวลามีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็อาจจะไปช้อปปิ้งสัหน่อยตอนนี้มีศูนย์การค้าใหม่ๆเกิดขึ้นไปเที่ยวไปดูไปซื้อข้าวซื้อของก็จะทำให้ความทุกข์ใจนั้นหายไปชั่วคราว แต่เดี๋ยวความทุกข์ใจนั้นมันก็จะกลับมาอีกหรือมีเงินเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศนั้นประเทศนี้<ม>ไปสนุกสนานเกี่ยวกับการไปสัมผัสบรรยากาศแปลกๆใหม่ๆแต่พอกลับมาไม่นานความทุกข์เดิมก็จะโผล่ขึ้นมาอีกดง<ม>ั้นการท่าการจะแสวงหาราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นไกยนี้ เพื่อมาดับความทุกข์ทางใจนี้ก็จะไม่ก็จะเป็นไปไม่ได้อย่างอย่างอย่างถาวรเป็นไปได้เพียงชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ความทุกข์จะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากใจจะอยู่กับและอยู่กับใจไปตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายยิ่งอย่าไปเสียเวลากับการไปหาความรู้ทางโลกเพื่อที่จะเอาความรู้ทางโลกนี้ ระดับความทุกข์ทางใจมันดับไม่ได้ถึงแม้จะได้ราบยาศสารเสิญสุขมาระดับไหนก็าตามได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นปัฒนาธิบดีได้เป็นผู้บริหารอันดับหนึ่งของบริษัทได้เงินเดือนเป็นเป็นล้านเป็นพันล้านรายได้เป็นพันล้านหมื่นล้าน ของเหล่านี้มันไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้เสียเวลาเปล่าๆเป็นความรู้ที่ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดรู้จักวิธีหางเงินหาทองรู้จักวิธีได้รับตำแหน่งต่างๆรู้จักวิธีรับรางวัลต่างๆรางวัลเกียรติยศเกียรติคุณต่างๆการยกย่องสรรเสริญด้วยด้วยรางวัลต่างๆ หรืสามารถหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะชนิดต่างๆมาเสพได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ความสุขของโลกก็ทำสนอกจากไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้แล้วยังเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ทางใจเพิ่มขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าราบยศสารสริญสุกนี้มันก็เป็นของไม่แน่นอนเวลามันจเจริญมันก็ให้ความสุขทางใจได้ช่วงระยะหนึ่ง แต่พอเวลามันเสื่อมลงไปทีนี้ความสุขที่เคยได้จากราบยศสารสิญสุขมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เวลาเสื่อมราบมีเงินทองหมดเช่นเนื้อประดาตัว<ม>เช่นไปติดคุกติดตารางนี้ก็ถึงแม้จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถเอาเงินทองไปใช้ในคุกในตารางได้ติดคุกแล้วก็ความสุขที่ได้จาก มีเงินทองใช้มันก็จะหายไปทันทีดฉะนั้น mm hmm. อย่าไปหลงกับความรู้ทางโลกอย่าไปหวังกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เ mm hmm. ช่นลาบยสะะสศสารสิญสุขว่าจะเป็นเครื่องดับความทุกข์ทางใจของเราได้ mm hmm. มันดับไม่ได้ดับได้ชั่วคราวมันอาจจะเป็นความดับ mm hmm. แบบอัมพรางให้เราคิดว่าถ้าเรามีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมีอานาจวาสนา ได้รับเกียรรางวัลต่างๆมาได้ไปเที่ยวได้ไปสายได้ไปเสพเรืร่องเสียงกลิ่นรสต่างๆแนละ้วเราจะมีความสุขไปตลอดเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดหรือจะเรียกว่าเป็นอวิชชาก็ได้อวิชชาปัจจยาสังขาราความคิดแบบนี้แหละที่เรียกว่าอาวิชชาความคิดว่าการที่การที่เราจะเอาราบโนุนสรสญสุขมาให้ความสุขกับใจอย่าง อย่างยั่งยืนอย่างถาวรแล้วก็กำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปอันนี้เราเรียกว่าอาวิชชาปัยาอาวิชชาเป็นความหลงผิดถ้ามีความเห็นแบบนี้นะมันก็จะไปกระตุ้นให้คิดแบบนี้ให้คิดไปหาราบยศสารสญสุดแะการที่จะไปหาราบยศสารสรนสุขได้ก็ต้องมีร่างกาย ก็ต้องส่งวิญญาณกระแสของวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายเวลาที่มีการปฏิสนธิเวลาที่มีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเวลาพ่อแม่มีการผรสมพันเมื่อเชื้อของพ่อของแม่มารวมตัวกันปฏิสนธิวิญญาณที่มาจากใจก็จะไปเกาะติดอยู่กับร่างกายนั้นยึง ท, ทำให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะมีองค์ประกอบที่ครบนั่นเอง มีส่วนของพ่อมีส่วนของแม่แล้วก็มีส่วนของของดวงวิญญาณของจิตใจมาก่อแล้วก็พอ ก, ก็ปล่อยให้ร่างกายค่อยๆเจริญเติบโตไปในท้องไปเรื่อยๆพอโตเต็มที่อยู่ในท้องไม่ได้ก็คลอดออกมาแล้วคลอดออกมาก็เริ่มมีการ เ, เติมอาหารเติมน้ําเติมลมเติมไฟให้กับร่างกายน่างกายก็ค่อยๆเจริญเติบโตเหมือนกับต้นไม้ ตนไม้ที่เราปลูกนี่ตอนต้นมันพอมันโผล่มาจากดินเราก็ต้องคอยลดน้ำพรวนดินถ้ามีปุ๋ยมีอะไรใส่เข้าไปมันก็จะเร่งให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็ต้องคอยคอยกำจัดว่าว่าจะเพิ่ก็ดีหรือสัตว์ที่จะมากัดมากินต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตอย่างนี้ให้ปลอดภัยร่างกายก็เหมือนกันพอร่างกายออกจากท้องแม่มาก็ต้องมีการ ทำนบบำรุงดูแลรักษาร่างกายนี้ไม่ให้ร่างกายนี้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้เกิดมไม่ให้พบกับอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆร่างกายก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้พอจเจริญเติบโตแล้วใจที่มีอวิชชา ม, มาครอบครองร่างกายนี้ก็จะใช้ร่างกายนี้ไปหารากยศสารเสญสุขกันทันทียังไม่ต้องสอน เพราะมันมีความอยากได้ละอับยุศสารเสิร์นสุกก่อนอยู่แล้วเพ็นเว่าต้องสอนวิธีที่การที่จะหาราบยุศสารเสิร์นสุขแบบที่ไม่เป็นโทษทนั้นเองก็คือต้องไปหาความรู้หาวิธีท ร, รมาหากินเพื่อจะได้เอามาท ร, รมาหากินโดยอาชีพสุดจลิตเพราะถ้าไปทำอาชีพที่ทุจริตเพื่อจะได้ราบยุศสารเสิร์นสุขมาโอกาสที่ยาต้องไปรับโทษก็มีมาก ไปติดคุกติดตารางแทนที่จะร่ำจะรลยแทนที่จะมีความอิสระภาพที่จะได้ใช้เงินทองที่หามาได้อย่างสุขอย่างสบายก็อจจะกลับไปถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางก็ได้ถ้าถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาชีพที่สุจริญเอาวิชาชีพที่ทุจริตมาแสวงหาผลประโยชน์หาราบยศสรรเสริญ ส, สุข ก็จะต้องไม่ช้าก็เร็วก็วาอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ดําเนินการจับตัวไปขังคุกขังตารางอความรู้ทางโลกก็มีประโยชน์เพียงเท่านี้ให้มีความรู้ที่สามารถไปประกอบาอาชีพที่สุดจริตได้อาชีพที่สุดจริตเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการไปจุดไปทไปุกติดตารางนั่นเองอ่า แต่รากยศเสรเสรสุนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้ใจมีความสุขตลอดทำให้ใจดับความทุกข์ได้ตลอดใครที่เกิดมาแล้วก็อาจจะพบกับความผิดหวังว่าหาเงินมาได้มากน้อยเพียงไรความทุกขมันก็ยังไม่หมดไปเสียทีความสุขที่คิดว่าจะได้จากเงินทองเก้าของต่างๆมันก็ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้ว มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาสาหรับคนบางคนเขาก็จะมองดูว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นเหมือนพวกเรามาก่อนพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเพื่อที่จะมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกฎภาพาต่างๆและอาศัยบุญบารมีที่ได้ทำไวในชาติก่อน จึงทำให้ได้มาเกิดดีได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ก็เลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีราบยศฉลเสริญสุขมารับใช้ตอบสนองความความควา ม, ความต้องการของใจแต่พระองค์ก็ทรงไปเห็นว่ามันถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่มันก็สุขในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นเอง พอร่างกายเริ่มแก่เจ็บตายขึ้นมาเมื่อไหร่นี่ความสุขที่เคยได้จากการาเสพรูปเสียงกลิ่นลดราบยะะศฉลสนุสุขนี่มันก็จะหายไปมันก็จะมีแต่ความทุกข์เข้ามารุมเล้าจิตใจในตอนแรกๆตอนที่ยังไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็ทรงหลงระเริงกับความสุขที่ได้จากราบยศฉละสริญสุขอยู่ แต่พอวันหนึ่งได้ออกไปนอกกำแพงวังแล้วได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์เองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่สามารถที่จะเสพสุขของราบยศทรเสริญของรูปเสียงเกิดลดโผฏฐะพระได้อีกต่อไปก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา <S 2> <S 2> ทันทีความสุขที่ ที่ว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรจากการได้เสพราบยศสรรเสริญสุขนี่ก็หายไปทันทีความทุกข์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอก็โผล่ขึ้นมาทันทีในใจจึงกลายเป็นปัญหาขึ้นมาว่าจะต้องแก้อย่างไรแต่ยิงทำให้ความทุกข์ทางใจนี้มันหมดไปได้ก็โชคดีที่วันที่ออกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ไปเห็นนักบวช ด, ด้วยก็ได้เรียนรู้ว่า นักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ทางใจได้ถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ทางใจที่มีอยู่นี่ต้องไปเป็นนักบวชกันเมื่อได้เห็นได้เรียนรู้ทางออกของความทุกข์แล้วว่าอยู่ที่การไปออกบวชไปปฏิบัติศีลสมาธิในยุคนั้นยังไม่มีปัญญาพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ แล้วก็หนีออกจากพระราชวังไปเพื่อไปบวชเพื่อไปศึกษาไปรักษาศีลแล้วก็ไปปฏิบัติสติสมาธิเพื่อทำใจให้หายจากความทุกข์เวลาใจทุกข์ก็เข้าสมาธิไปเวลาเข้าสมาธิใจนิ่งสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็หายไปก็เลยเป็นวิธีการของการดับความทุกข์ทางใจ เวลามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เข้าสมาธิกันไป mm. แต่เวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์ทางใจที่ถูกสมาธิกดเอาไว้ก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ได้อีก mm. เวลาออกจากสมาธิมาเวลามีความทุกข์ขึ้นมานี้ไม่มีใครรู้วิธีกําจัดความทุกข์ในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิได้พระอาจารย์ต่างๆที่เก่ง มีความสามารถดับความทุกข์ก็ดับได้เพียงแต่ความทุกข์ด้วยสมาธิเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถดับความทุกข์เวลาที่มันไม่ได้อยู่ในสมาธิได้อุภิตะก็ส่งไปสอบถามไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันก็ไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์ของใจได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องค้นคว้าหาความหาคําตอบด้วยตนเอง ก็ทรงลองผิดลองถูกด้วยการปฏิบัติแบบสุดโต่งบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ที่เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินี้หายไปได้ลเลยต้องใช้การพิจารณาทางปัญญาคขาควรหลังจากที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วพอกจากสมาธิมาก็พิจารณาหาสาเหตุว่าใจทุก เพราะอะไรอะไรจึงทาให้ใจทุกข์คนไปคนมาก็พบคำตอบว่าต่อจากความคิดที่ไปคิดตามความอยากที่เป็นไปไม่ได้เช่นอยากไม่แก่พอมันอยากไม่แก่แต่มันต้องแก่มันก็ทำให้ใจทุกข์ได้พออยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ก็ทุกข์ได้ความอยากไม่ตาย พอไปเจอความตายขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถทาตามความอยากได้จึงได้ค้นพบคำตอบว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะว่าเวลาที่เข้าสมาธินี้สมาธิจะหยุดความอยากไว้นั่นเองหยุดหยุดความคิดที่เป็นตัวที่ความอยากต้องใช้เป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดแล้วความอยากมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดแต่พอไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วความอยากก็จะเกิดขึ้นมาทันทีคิดถึงความแก่มันก็จะอยากไม่แก่ขึ้นมาทันทีคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายมันก็จะอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เลยได้คาตอบพระพุทธเจ้าก็เลยได้คาตอบว่า ความทุกข์ใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี้เกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากต้องหยุดได้อย่างไรก็ต้องสอนความจริงให้กับใจอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นร่างกายของทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ ร่างกายของทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของคนฉลาดของคนโง่ของคนเก่งคนไม่เก่งของคนรวยของคนไม่รวยของคนสูงกับคนของคนต่ำเหมือนกันหมดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไปอยากไม่แก่มันก็จะทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าไ ป, อ ย, no าปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทุกข์พอมันเป็นไปไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ถ้าไปอยาก <Yeah. S 1> ไม่ตายเพราะมันก็หนีไม่พ้นความตายหยุดความตายไม่ได้ถ้าอยากจะให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็อย่าไปอยากทัานเองพอเราไม่อยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ความแก่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ความตายก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ใจไม่ไปทุกข์กับร่างกายแล้วเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน mm hmm. ใจทุกข์เพราะความอยาก mm hmm. ไม่ได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตายของร่างกายนี้มันไม่ได้ทําให้ใจทุกข์ mm hmm. ตัวที่ทําให้ใจทุกข์คือความอยากของใจอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะอะไร เพราะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศสารเสนสุดไปเรื่อยๆนั่นเองพอเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายมันก็จะไม่สามารถที่จะไปหาราบยศสารสนสุดมาดับความทุกข์ของใจได้อย่างที่เคยทําอยู่มันก็เลยอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่แบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่มันก็เป็นไปไม่ได้งั้นทางที่เราจะ หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องไปหยุดที่ความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศเสริญสุขเลือกหาราบยศเสริญสุขกันให้มาหาความสุขที่ดับความทุกข์ได้ก็คือหาความสุขจากสมาธิและปัญญาแทนถึงต้องมาเป็นนักบวชนักบวชแล้วจะได้ถือศีลในขมะในขมะก็คือการหยุด การหาราบยศสารเสรินสุขนั่นเองไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆจะไม่เสพไม่เสพไม่เสพกามไม่ร่วมเพศกันอันนี้ก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารไม่ให้กินอาหารเพื่อความสุขตามความอยากแต่ให้กินเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปให้กินเหมือนกินยา กินแบบพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ต้องมีเวลามเร่ ม, เ ว, มเวลาไม่ใช่กินไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากจากมหอราศ บ, บันเทิงต่างๆหรือการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตรพิศดารหรือด้วยเครื่องสำางต่างๆเรื่องสมัยใหม่ก็มีการทำสัญญกรรมต่างๆ อันนี้มันไม่ใช่เป็นเป็นวิธีดับความทุกข์มันเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเสพแล้วมันจะติดเวลามันไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์แล้วก็ไม่ให้ไปนอนมากเกินไปวิธีไม่ให้นอนมากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นแข็งๆถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่มันจะนอนไม่นานเพอาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูก ห, หนาๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงด้วยกันจะทําให้เสียเวลาของการที่จะเอามาปฏิบัติรรมก็หมดไปกับเรื่องของการเสพการเรื่องของการร่วมเพศกันเรื่องของการกินอาหารตลอดทั้งวันทั้งคืนเรื่องของการ เสร็จรูปเสียงกิจแล้วตามจากจากการเรื่องบันเทิงต่างๆล้องนำทำเพลงดูหนังฟังเพลงอะไรเสมสวยความงามต่างๆไปงานเลี้ยงงานสโมสร อ, อะไรต่างๆแล้วก็กลับมาบ้านเด็กก็นอนอนอหน้าเตือนสายโด้ขึนมาแล้วก็มาเริ่มเสษการใหม่ ถ้าอยมันก็จะติดอยู่ในการเสพการมันก็จะต้องเจอกับความทุกข์ของที่เกิดจากการได้เสพการนั่นเองหรืต้องมาถือศีลในขมมะในขมมะก็คือการละเว้นจากการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะศีลมีสองระดับนะระดับแรกคือศีล5้านี้มีไว้เพื่อลักับการกระทำการกระทําบาปเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปด เดินชรายามเมาอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ไปทำบาปเพราะการทำบาปนี้จะสร้างความทุกข์ให้กับใจทุกข์จะตามมาเวลาเราทำบาปเวลาทาบาปแล้วใจเราจะไม่สบายแล้วถ้าต้องไปรับโทษ ด, ด้วยยิ่งไม่สบายใฉะนั้นอย่าไปทำบาปอันนี้เรียกเรียกศีลเพื่อป้องกันป้องกันกา ร, รการะทาบาปป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาป แล้วศีลอีกระดับหนึ่งเราเรียกเนตขมมะศีลเนตขมมะก็คือการละเว้นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทัพอะเช่นศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอ布拉มจิรยาละเว้นจากการร่วมเพศไม่ร่วมเพศกับใครถ้ายังถือศีลห้าอยู่ก็ยังสามารถร่วมเพศกับคู่ครองของตนได้ไม่บาปแะบาปก็ต่อเมื่อไปร่วมเพศกับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตน แล้วก็มาละเว้นการรับประทานอาหารลาเว้นการดื่มสุรายามาอันนี้ก็เป็นส่วนของศีลห้าเพราะถ้าเราเดื่มสุรายามาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเราจะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวหการกระทําของทางร่างกายทางวาจาได้เราก็อาจจะพูดวาจาหยาบคายอาจจะทํากระทาในสิ่งที่เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้ เช่นขับรถเวลาเมาเราไปขับรถนี่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทำให้ผู้อนต้องเสียชีวิตหรือทรัพย์สินก็เสียหายได้จึง mm hmm. ต้องละเว้นจากการดื่มสลายาเมา mm hmm. อันนี้เป็นศีลของการป้องกันไม่ให้ทำบาปแล้วศีลที่ต้องการหยุดการเสพการเราเรียกว่าเนธขมะก็คือตั้งแต่ศีลหกขึ้นไปศีลหกศีลเจ็ดศีลแปดบวกกับศีลข้อส mm ี hmm. ่ นี่คือระดับของศสียงของผู้ที่จะมาบวชผู้ที่จะต้องการที่จะมาเปลี่ยนวิธีของการดับความทุกข์ใจแทนที่จะดับความทุกข์ใจด้วยการไปหาลาบยศสรรเสริญสุขมาดับ mm. ก็เปลี่ยนวิธีไปหาความสงบมาดับ mm. ความสงบที่เกิดจากการเจริญสติแล้วก็ความสงบที่เกิดจากการเจริญปัญญา จะได้เครื่องมือที่ดับความทุกข์ใจได้อย่างยั่งยืนอย่างถาวรเบื้องต้นก็ต้องถือศีลศีลแปขึ้นไปศีลแปศีลสิบหรือศีลสองอยีิบเจ็ถ้ามีภิกษุณีก็ศีลสาม้อยกว่าข้อต้องเป็นนักบวชเพราะการเป็นนักบวช น, นี้จะทำให้มีเวลาเป็นเหมือนกับการขึ้นทางด่วนเวลาเราขับรถ ถ้าเราอยากจะไปไหนเร็วๆนี้ถ้ามีทาง ด, วด่วนนี้เรามักจะเลือกขึ้นทางด่วนกันมีมอเตอร์เวย์มีอะไรเพราะทางด่วนมันไม่มีไฟไม่มีไฟเขียวไฟแดงไม่มีสี่แยกวิ่งวิ่งได้เฉลุยไม่มีรถติดแต่ถ้าวิ่งอยู่ใต้ทาง ด, วด่วนนี่มันต้องเจอสี่แยกไฟแดงมีรถติดกันเยอะออก็จะทําให้การเดินทางล่าช้าได้ ถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วก็ต้องขึ้นทางด่วน mm hmm. การเป็นนักบวชนี่แหละเป็นเป็นการขึ้นทางด่วนทางพระพุทธศาสนาทางด่วนซชื่อเพื่อไปสู่วิมุตติดุจพ้นไปสู่นิพพานที่เป็นบรมมรรคขึ้นทางด่วนก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีหรือเจ็ดปีเป็นอย่างมาก mm hmm. อยก่ถ้าอยู่ใต้ทางด่วนนี้ไม่มีกาหนดเวลา ไม่มีวันที่จะบรรลุไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าอยู่ภายใต้ทางขับรถอยู่ภายใต้ทางดดวนเพราะมันจะใช้เวลามากจะเสียเวลามากยกเว้นในกรณีสำหรับคนบางคนที่สามารถบรรลุทําได้ในขณะที่ยังเป็นค า, ารวะอยู่อันนี้ก็ต้องอาศัยบุญเก่าอาศัยบารมีเก่าที่ได้สะสมมาที่จะสามารถที่จะผลักดันให้ปฏิบัต ทำได้ในขณะที่ยังเป็นคารวาสเป็นผู้คลองเงิอนอยู่นะสามารถบรรลุทาได้แต่เป็นเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนน้อยคนคนส่วนใหญ่ที่บรรลุมรรคผลนิพพานคนที่บรรลุถึงวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชทังเก้าส<ม>ิบเก้าเปอร์เซ็นตเพราะว่านักบวชนี่เป็นเหมือนผู้ที่ขับรถบนทาง ด, วด่วนโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ไดอย่างรวดเร็วนี้มีมากกว่าพู้ที่ขับรถอยู่ใต้ทางด่วนอ่านี่ก็คือพอพระพุทธเจ้าเห็นนักบวชขึ้นมาก็เลยรู้เลยว่าจะปฏิบัติธรรมในขณะที่อยู่ในวังนี้มันคงจะไม่สําเร็จแน่นอนเพราะในวังนี้มันห้อมล้อมไปด้วยกามคุณหนะ้ารูปเสียงกลิ่นลดผดศพะมีรูปเสียงกลิ่นลดผดศพให้เสพได้ตลอด24ชั่วโมงอยากจะกินอะไรก็สั่งได้อยากจะดื่มอะไรก็สั่งได้ อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็สั่งได้อยากจะเสพการกับใครก็สั่งได้แต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเวลาเห็นความแก่ทีไรก็ต้องทุกข์ขึ้นมาทานันทีเวลานึกถึงความเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลานึกถึงความตายขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีวิธีที่จะสามารถทำให้ใจไม่ทุกข์ กับเรื่องราวต่างๆได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งที่รักได้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะถ้ายัางไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใจจะไม่มีกำลังใจจะไม่รู้วิธีของการดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ว่าจะต้องดับได้อย่างไรึงต้องไปฝึกสติ การฝึกสตินี้จะเป็นการไปหยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อนทาพอมีสติควบคุมความคิดได้พอหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นฌานขึ้นมาตอนที่เข้าฌานเข้าสมาธิความคิดก็หยุดคิดไปพอความคิดหยุดคิดไปความอยากที่ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้หลังนั้นความทุกข์ก็หายไปชั่วคราว แต่พอจากสมาธิมาพอเริ่มปล่อยให้คิดได้พอเริ่มมีความคิดปับ๊บพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่ทันที น, นี่ท่านบอกว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหินหินทับกิเลสหินทับตัณหาความอยากไว้เวลาที่เราเอาหินไปทับไว้บนห ญ, ญ้านี่หญ้ามันก็จะ ง, งอกงามขึ้นมาไม่ได้ เพราะมันไม่สามารถรับน้ำรับแดดได้แต่พอเรายกก้อนหินนั้นออกไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งย้าที่ยังมีรากอยู่ในดินนี้มันก็จะไม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้มันไม่ตายมันไม่ตายเพราะหินทับยาถ้าอยากจะให้ย้านี้มันตายก็ต้องถอนมันออกถอนรากถอนโคนมันออกจากดินเท่านั้นชั้นใดกิเลสตัณหาก็เป็นแบบเดียวกับญ้าเวลาเราเข้าสมาธินี้ เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิความอยากทำงานไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้แต่พอออกจากสมาธิมาเพราะเราต้องมีหน้าที่มาทำงานทำการดูแลร่างกายมารักษาร่างกายมาทำอะไรเกี่ยวกับการกินการอยู่ก็ต้องเอาอมาจากสมาธิ พอมาก็ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมหรือเผอบางพอเวลาไหนเผอขึ้นมามันความคิดก็จะคิดถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คิดถึงเรื่องของความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องคองมแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องใช้ปัญญาถอนยะถอนรากโคนของของตัณหาความอยาก หน้าคนของตันหาความอยากคืออะไรก็คือความโง่นี่ความไม่ฉลาดความไม่รู้ความจริงของร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยง ม, มันเป็นของที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วก็มันไม่ใช่ตัวใครมันไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ<ม>เป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่มันมีการเจริญเติบโตมีการแก่การตาย แต่มันไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครอยู่ในต้นไม้ไม่มีใครสั่งให้ต้นไม้ทำอะไรร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็ไม่มีตัวตนไม่มีใครผู้ที่สั่งก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็คือใจซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเพียงแต่มาครอบครองร่างกายไว้เพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขไปเท่านั้นเอง ให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวไม่ไม่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ให้มันห้ามมันไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอแก้ปัญหาถอนรากถอนโคนของความความโง่คือความไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยมีเกิดมีแก่ไี่เจ็บมีตายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นเหตุ ปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วพอเหตุปัจจัยนั้นมันไม่มีมันมันเสื่อมไปร่างกายก็เสื่อมตามเหตุตามปัจจัยนั้นไป mm hmm. นี่คือการใช้ปัญญาสอนความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของร่างกายให้ใจรับรู้พอใจรับรู้แล้วก็สามารถที่จะมาโกะระดับความโง่เขลาความไม่รู้ความจริงได้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าไปอยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความไม่อยากต้องยอมรับความจจิงยอมรับความแก่ว่าเป็นเรื่องธรรมดายอมรับความเจ็บไข้ยอมรับความตายว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นหลีเี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้น ช่งพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้พอใจยอมเมื่อไหร่ยอมรับความจริงเมื่อไหร่ใจก็จะหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้ร่างกายแก่ได้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปตามเนื่องของมัน<ห>ปล่อยให้มันตายไปตามเนื่องของมัน<ห>แต่ใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต่อไปเพราะว่ า, ượng, ายอมรับความจร fect, ิงเห็นความจริงรู้ความจริง เมืรู้ความจริงแล้วความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่เกิดขึ้นพรารู้ความจริงว่าถ้าอยากแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อยากให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ทรมานถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องหยุดความอยากนี้ยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงปล่อยให้น่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใจก็หายทุกข์ขึ้นมาทันที อันนี้แหละวิธีถอนรากถอนโคนของตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือรากรากโคนของตัณหาความอยากได้แก่โมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงเราต้องเอาธรรมะคือความจริงมาสอนใจความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเสื่อมถ้าอยากไปให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่เสื่อมใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ้เราก็ไม่สามารถไปสั่งไม่ให้มันไม่เสื่อมได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจของเราที่จะไปสั่งให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราได้เสมอไปพ <Evet. S 1> อเราหยุดความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมั น, มนเทียมเป็นไปนตามคำสั่งของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเรายังอยากอยู่ยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยู่ พอไม่ได้ดังใจอยากใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้คือการใช้ปัญญาเพื่อเป็นการถอนรากถอนโคนของกิเลสของตัณหาความอยากเหมือนกับการใช้การถอนรากหญ้าออกจากพื้นดินถ้าถอนหญ้าถอนราก <Yeah. S 1> ออกจากพื้นดินแล้วหญ้า ก, ก็จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้รับเอะต่อไปแต่ถ้าเพียงแต่ตัดหญ้าหรือเพียงแต่เอาหินไปทับหญ้าไว้เท่นั้น หญ้ายังไม่ตายพอเอาหินออกเมื่อไหร่พอได้น้าได้แดดเมื่อไหร่หญ้ามันก็จะ ง, งอกขึ้นมาใหม่ได้สมาธิก็เหมือนกันสมาธินี้ดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิเหมือนหินทับหญ้าพอเอาหินออกพอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดเริ่มเป็นสัมผัสรับรู้เรื่องของร่างกายขึ้นมาใจก็จะทุกข์ทันที ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกายถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย <c oughs> ก็ต้องมีใจปัญญาสอนใจว่าร่างกายเป็นอย่างนี้มันเป็นแม่เที่ยงมันเป็นกฎของร่างกายเป็นกฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติคือกฎแห่งอนิจจังอนัตตาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาลวงพ้นความดับไปไม่ได้ ต้องเห็นความจริงเห็นเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพยายาจะได้ไม่ไปฝืนใจไม่ได้ไปไปอยากให้มันไม่ไม่เสื่อมไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปอันนี้คือปัญญาต้องมองเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาที่ใจไปทุกข์เพราะใจไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตาอยากจะให้มันอยู่เป็นนานไม่มีวันเสื่อม อยากให้มันอยู่ภายใต้คําสั่งของเราสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นสั่งให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นแต่เราก็สั่งมันไม่ได้ทุกเวลาบางครั้งเราก็สั่งมันได้บางครั้งเราก็สั่งไม่ได้เช่นเวลามันหิวข้าวเราก็สั่งให้มันหยุดหิวได้ด้วยการหาข้าวมาให้มันกินเวลาที่เราหิวน้ําเราก็สามารถหาน้ํามาให้มันกินได้สั่งให้มันสามารถสั่งให้มันหยุดหิวได้แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถสั่งมันได้ มันหิวข้าวแต่ไม่มีเงินไปซื้อข้าวมากินมันก็ต้องทนอยู่มันก็ต้องทุกกับการหิวข้าวไปอยากจะดื่มน้าไม่มีเงินไปซื้อน้ามาดื่มมันก็ต้องทุกไปอย่างนั้น ต, ต้องเห็นความจริงเห็นปลายลักษ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นปลายลักษ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นราบยุสารเสริญสุกขก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันเป็นของที่เราจะต้องยอมรับความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่มีความอยากในในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่ามันอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากให้มันไม่แก่มันก็ต้องแก่มันจะมันก็แก่พอมันแก่ก็ทุกข์อยากไม no ่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์อยากไม่ให้มันตายพอมันตายก็ทุกข์ พรพุทธเจ้าพระลานนี้ท่านหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจท่านถึงไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายท่านอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายแบบประมังสุขขังได้ใจท่านมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าใจท่านไม่มีความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้ใจอีกต่อไปแล้วก็การไม่มีความอยากนี่ก็เป็นตัวที่จะพาให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วย เพราะว่ารู้ว่าการกลับมาเกิดก็จะต้องมาเจอความแก่ความเจ hmm. ็บความตายดงั้นการอยากจะมีร่างกายก็จะหมดไปพอมีแล้วมันจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครอยากจะเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดการใช้ร่างกายหยุดได้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากร่างกายมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิ เจริญปัญญารักษาศีลอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้ญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายมาทํากันในวันพระนี้ก็เพื่อมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่อย่าไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสให้มาหาความสุขจากการรักษาศีลแปดหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วหาความสุขจากการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ ด้วยการพิจารณาตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องบรรุมรรคผลนิพพานจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอนนี้ก็คือเรื่องของวันพระที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดขึ้นมาพราะอให้ศรัทธายาโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตไฝ่ใฝบุญไฝ่กุศลผู้มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาบรรลุมาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริกุปเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังปกปติ เหติต่างปฏิต่างตุมหังคิบะเมวัสมิชัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีตีคายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิตะนิจังมุฒาปจายโนจตารูธรรมะวาทานเตอายุวันโนสุขังพาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกถามตอบคําถามเพราะหลังจากเลิกแล้วนี้จะต้องทําอะไรอย่างอื่นอีกก็จะไม่สะดวกฉั้นจะต้องขออภัยด้วยถ้ามาถามต่อหลังนี้จะไม่สามารถตอบตอบได้เจ้าอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้เลยถามได้อยจะถามอะไรถามจีเรื่องก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะแต่พอเลิกแล้วก็ต้องขออภยัยถ้าไม่อยากจะ มาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ขอาการดครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติส4 4้อสสิบท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ สามร้ยี่สิบสามท่านทาง YouTube Dr. V c h a n ว e ช70นเจ็ดสิบท่านทางวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดท่านค l ับเฮ u s ์หกท่านและผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่ง้อยสิบห้าท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยหกสิบเก้าท่านครั บ, บ, บกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากคุณ a อเคเลิฟ อ, อยู่ทางเฟ e บุ o กถามเข้ามาว่า rab, กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเคยฟังพระสวดปฏิโมกตอนเคยบทชีวัดป่า ต, ต่างจังหวัดสายพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตองค์หลวงตามหาบัญญาสัมปโนโนรู้สึกจิตใจสงบดีไวค้ค่ะพอศึกเป็นคารวาสแล้ววันพระใหญ่ไปวัดที่กรุงเทพนั่งสมาธิฟังพระสวดปาฏิโมก ใจสงบไวเห็นภาพตนเองเป็นนักบวชนั่งบนแทน่นหินริมผายอดเขาด้านล่างโล่งลมพัดภาพนี้ทำให้ใจสงบสมาธิดีวัดนี้เป็นพระอารามหลวงค่ะแต่วัดปฏิบัติแบบพระป่ามีศาลาแดดร้อนและลม่วยพัดดีทุกวันพระใหญ่ถ้ามีโอกาสจะนั่งสมาธิฟังพระสดปฏิโมที่ศาลารอบนอกพระอุโบสถ ตัดเข้ามาที่คําถามนะจ๊ะค่ะการชอบฟังพระสวดปาฏิโมกแล้วใจสงบไยเพราะเป็นการระลึกปิติในคุณของศีลใหม่ค่ะไม่ได้ยินถามใหม่เลยถามคำถามใหมถามของคุณเอเคค่ะการชอบฟังพระสวดปาฏิโมกแล้วใจสงบไยเพราะเป็นการระลึก ปิติในคุณของสีใหม่คะไม่หรอกการมีสติอยู่กับการฟังธรรมการสวดนะไรทาให้เกิดความสงบขึ้นมา<ะ>ถ้าฟังแล้วใจคิดฟุ้งซ่านก็จะไม่สงบถ้าคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนีนงนน้ก็จะฟังไม่รุ่มเรื่องจะจะไม่มีไม่มีความสงบจากการฟังเจ้าค่ะคำถามจากทาง YouTube เวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตไม่สงบสักทีเกิดมาจากการชอบห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงสิ่งที่จะทำการทำงานอะไรจะไม่สำเร็จควรจะทำเช่นไรให้หายจากความคิดนี้คะต้องใช้การเจริญสติด้วยพุโทโธพุโทโธต้องพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิด ที่ใจคิดได้ก็เพราะเราไม่มีพุโทโธคอยหยุดมันมันก็เลยไม่สงบถ้าเรามีพุโทโธคอยคุมไว้เนี่ยมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดแล้วใจเดี๋ยวก็เนิ่งสงบได้เจ้าค่ะจากคุณธีคัทนาคำถามเจ้าค่ะเมื่อเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแต่บางครั้งก็ทุกข์ บางครั้งก็ปล่อยวางได้เมื่อเรามีสมาธิและปัญญาเข้ามาช่วยทันถามว่าถ้าสมาธิปัญญาเราไม่พอเพียงจึงทำให้สลับไปสลับมาระหว่างสุกกับทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะใช่สมาธิปัญญาเรายังไม่เสถียรยังไม่ต่อเนื่องยังเกิดยังดับอยู่ต้องทำให้มันอยู่ตลอดเวลาเหมือนไฟได้เปิดแล้วอย่าให้มันปิดนะอย่าให้มันดับนะ ให้มันติดอยู่ตลอดเวลามันก็จะเห็นเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันก็จะเห็นอริยาาสัจสีมันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเจ้าค่ะต่อมานะคะหรือแม้สุขและทุกข์ก็เป็นธรรมดาต้องยอมหยุดเย็นให้ได้จึงจะพ้นทุกข์จริงขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเจ้าค่ะและขอโอกาสสุขสรรด์วันไม่เกิดของพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ ก็อย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เวลามันทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์มันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันทุกข์ไปเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ถ้าเฉยๆเสียบ่อยมันเจ็บไปปัใจก็จะไม่ทุกข์ต้องทําใจให้เฉยๆให้เป็นฝึกสมาธิเยอะๆแล้ววางใจให้เป็นอุเบกขาได้เ <c oughs> ช้าค่ะคําคถามจากอินบ็อกเชค่ะ กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูทำงานตรวจสอบที่ต้องใช้สมาธิในออฟฟิศที่หนูนั่งทำงานเพื่อนร่วมงานจะเปิดข่าวเปิดเพลงและพูดคุยการเสียงดังตลอดเวลาหนูรู้สึกวุ่นวายใจมากๆเวลาได้ยินเสียง ตอนนี้หนูติดความสงบมากๆค่ะหนูควรใช้หูฟังที่ตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือหนูต้องวางเฉยกับเสียงคะหนูควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็ทําได้ทั้งสองอย่างถ้าวางใจไม่ได้ก็ต้องหาอะไรมาอู่ทูถ้าอู่ทูแล้วยังได้ยินเสียงอยู่ก็ต้องย้ายที่ไปไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงเจ้าค่ะยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะ ทำใจได้น่ะดีที่สุดเพราะเราต้องอยู่กับเสียงเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีรูปเสียงจิตรดเป็นธรรมดาที่เราต้องสัมผัสรับรู้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปรักอย่าไปชังมันบ่อยให้มันมาอย่าไปยินดียินร้ายแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์วาาิที่ที่จะทําให้ใจไม่ยินดียินร้ายก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆพอมีสติก็จะทําให้ใจนั่งสมาธิให้สงบได้ พอสงบแล้วใจก็จะวางเฉยได้จะไม่ยินดียิน้ายกับอะไรนั้นพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆแล้วต่อไปเราจะอยู่กับเสียงได้เสียงดีก็อยู่ได้เสียงไม่ดีก็อยู่ได้เสียงอะไรก็อยู่ได้เพราะใจเราไม่มีความยินดีนล้ายกับเสียงเจ้าค่ะจากทางเ c e บุ o k เจ้าค่ะชอบฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่น้าตาไหลง่ายเวลาอยู่คนเดียว อยากทำใจให้สบายปล่อยวางให้มากกว่านี้เจ้าค่ะของใช้พุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยใช้พุโทโธก็หยุดมันองพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายมีความสุขเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องนั่งให้ได้ความสงบหรือว่ามันกินข้าวกินข้าวาให้มันอิมบมก็ได้าค่อ มันยังไม่อิ่มมักินไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่กินเพื่อกโก้คกินเพื่อให้มันอิ่มนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องนั่งให้มันสงบให้ได้ก็อะหาวิธีว่าทํำไมมันถึงไม่สงบเพราะมันไม่ได้นั่งมันไม่ได้กินข้าวมันไม่มีสติสติคือคือข้าวของของใจถ้าใจกินสติมีสติแล้วเริ่อยู่กับพุทโธพุทโธไปก็เท่าก็ได้กินอาหารพอกินอาหารไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มขึ้นมมันก็สงบขึ้นมา ท่านทานั่งแล้วแบบเหมือนเหมือนตัวเราหายไปเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราต้องกลับมาให้รู้สึกตัวไหมจ๊ะค่ะไม่<ร>ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันจะหายหรือไม่หายไม่เกี่ยวอยู่ให้เราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะมัก็หยุดพุทโธได้เจ้าค่ะถึงแม้ว่าเราจะออกจากสมาธิมาแล้วแล้วมันได้รับเวทนาอยู่ก็นั่งต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ครับมายถึงไงถ้าออกมามันจะไปนั่งได้ยังไงล่ะไม่ถึงว่าพอพอแบบนั่งเราพอความสงบมันหายไปแต่เราเราอยากนั่งต่อแต่มันเกิดเวทนาแล้วก็ต้องฝืนนั่งต่อถูกไหมคะถ้าฝืนไม่ได้ก็เปลี่ยนระยะบุขยับนั่งกายท่าหน่อยให้มันหายเจ็บแล้วก็นั่งต่อไปก็ได้เจ้าค่ะอ่ามีคนจะมาถามคําถามครับกราบกราบนมัสการ์ครับผม ผมพอดีอยู่ในบ้านแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยซึ่งแกก็มีการทำทานรักษาสินห้าบ้างรักษาสินแปดบ้างแล้วก็สวนมนต์นั่งทำสมาธิอยู่เนืองๆครับทีนี้พักๆเนี่ยแกก็จะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองรู้สึกว่าแกจะมีลักษณะเป็นทุกข์ไม่สบายใจโดยโดยเรารับรับรู้ได้จากความรู้สึกของเราเองอะนะครับ เออพอเราฟังเราก็รู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ผมควรจะต้องทําเนี่ยคือรักษาใจตัวเองก่อนใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องทําใจให้สบายก่อนไม่การปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปเขาอยากจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเขาเองก็เรื่องของเขาเราก็ทําอะไรให้เขาไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยเด็กเขาได้พูดคุยเขาได้บอกวิธีทําให้ใจเขาไม่ทุกข์ได้ก็ช่วยเข้าไปบอกเข้าไป แต่เบื้องต้นเราต้องไม่ไปทุกข์กับเขาไปเขาอยากจะทุกข์ก็เรื่องของเขาไปแลพอเราใจไม่ทุกข์แล้วทีนี้ถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปช่วยไม่ได้เราก็ยกังจำไม่ทุกข์อยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดไปติดว่าจะต้องช่วยเขาให้ได้นมาส ก, การครับผมสาขามีคําถามจากทาง y o u ูทูบถามเข้ามาว่า ขอการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทําอย่างไรจะกําจัดความเพลิดเพลินหรือนันทิได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพลิดเพลินเลิดเพลินก็ถือศีลแปดเลยมันก็จะหายเพลิดเพลินะดูหนังฟังเพลงไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้อะไรไม่ได้ทีนี้มันทําให้ใจเพลิดเพลินก็ถือศีลแปดแล้วมาฝึกสตินั่งสมาธิมันก็จะหายเพลิดเพลินมันก็จะอยู่กับความสงบแทน เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะจะถามเพิ่มหรือเปล่าถามเพิ่มไหมทำไมไม่มีนะอะมีเข้ามาเชิญเข้ามากลับนมัสการค่ะอาจารย์ แต่ว่าคำถามนี้มันอาจจะแบบดูแล้วอาจจะตลกตลกนะคะพระอาจารย์พีอยู่ใหัวเราะได้ไหมเป็นเครียดแล้วเกินไม่ใช่เรื่องเครียดเครีเรื่องตลกกาผ่านมาันก็ดีที่เงค่ะพระอาจารย์คือว่ า, า ท, ที่ที่ทำงานของโยมอะค่ะมันมีตึกหนึ่งที่ไปเชา่าข้างหลังแล้วก็ให้คนงานไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ว่าคนงานเขาก็ล่ำลือกันว่า มันมีผีผีดุนะตั้งแต่โควิดและคนงานก็นอนไม่ได้เลยทีนี้โยมก็ฟังฟังทีนี้เมื่อไม่นานมานี้เอาอีกแล้วก็คนงานเขาบอกว่ามีคนขึ้นไปเก็บของแล้วก็กี้แล้วก็วิ่งลงมาเลยโยมก็เลยถามอ้าวคืออะไรอะ่ะบอกว่าก็เขาเขาว่าเขาเห็นผีอะทีนี้โยมก็เอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปดูสักวันหนึ่งเมื่อไม่นา น, นี้ยมก็เลยเดินไปแต่ไปกลางวันนะคะยมก็ไปคิดว่าจะเอาอ่าผ้าไตากรถิน่นอะไรอย่างเงี้ยไปวางไว้ให้แบบเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางอนุโมทนาบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้ยมก็อยู่สักพักหนึ่งยมไม่เห็นจะสัมผัสอะไรได้เลยคิดว่ามันไม่เห็นจะน่ามีอะไรแต่ยมก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปถามเพื่อนที่เขาพอจะแบบที่เขานั่งสมาธิอ่นะคะ่ะทีนี้เขาก็บอกว่า มันก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่ผีเขาก็เป็นเจ้าที่ที่เขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรทีนี้คนก็กลัวเขาไปเองทีนี้ว่าคือที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นเป็นคนคล้ายลิกอยู่อะค่ะพระอาจารย์ขอโทษนะบางโยมก็ไม่ได้แบบจะว่าสาสนาอื่นอะไรยังไงทีนี้เขาบอกว่าเขาวิญญาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเขาเสียใจที่ว่าแบบเขาตายไปแล้ววะบุญเขาไม่มีเลยเขาต้องอยู่ตรงนี้คือพระเจ้าไม่มีจริง ยขอโทษนะคะคือแบบเลยทีบอกยมก็ให้ให้เพื่อนถามว่าแล้วเราจะช่วยเขายังไงได้เขาบอกว่าเขาก็อยากจะไปบอกจะไปวัดหรอจะไปโบสถ์หรอจะช่วยเขายังไงเขาก็บอกว่าคือโยมก็เอ่ยชื่อวัดว่าให้เพื่อนถามเขาบอกว่ามีวัดก็วัดอโศการามแถวแถวนั้นเพราะว่าพระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยมบอกอ่ะแล้วจะไปยังไงดีเขาบอกก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยเดี๋ยวก็ให้เหมือนกับว่าให้ไปส่งเขาที่วัด ทีนี้ยงก็เลยบอกว่าโยงไม่รับปากนะคือจริงๆยมก็กลัวพระอาจารย์เพราะแบบว่ายงจะต้องแบบขับรถพาเขาไปส่งวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย<ม>์ทีนี้ยมก็บอกว่าตอนนี้ยุ่งนะคืออันนี้คือให้เพื่อนสื่อสารนะคะยงบอกว่าตอนนี้ยุ่งเดี๋ยวรอไว้ทอดกรถินเสร็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันทีนี้คําถามเนี่ยถามพระอาจารย์นะคะคือว่าคือจริงๆยมคิดว่าศาสนาทุกศาสนาก็คือเขาก็มีบุญมีเขตแดนมีสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ว่า เขาจะแบบไม่มีบุญถึงขนาดแบบไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ค่ะพระอาจารย์การต้องฟังหูวไว้หูเขาพูดจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เขารู้จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ใช่เรื่องของเราแล้วทีนี้ว่าถ้าเราอยากจะช่วยหมายถึงว่าที่เป็นเจ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นที่เขาแบบอยากจะให้เราช่วยเขาเดี๋ยวเขาจะรอเอาเงินแล้วฟังเอาเพื่อนไม่ค่ะเพื่อนไม่ไม่เขาเขาไม่ไม่มีเอช่วยได้ก็ช่วยไป ้าช่วยได้ก็คือเราอาจจะในแง่ของการว่าเราแผ่เมตตาให้เขาหรือว่าอย่างสมมติเราฟังธรรมอย่างเงี้ยเราเราไปบอกเขาอย่างนี้ให้เขาอนุมโมทนาอย่างเงี้ยเหรอคะพระอาจารย์คือมันจะช่วยอะไรมันก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องโมเมขึ้นมามันช่วยอะมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีถ้าเป็นเรื่องโมเมขึ้นมาเห็นต้องพิสูจน์ก่อนว่าที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริง อันนี้เราก็ไม่รู้นกไม่รู้ ก, รก็ไม่ต้องช่วยก็เฉยๆไปค่ะเห็นแต่ว่าเราอาจจะไปกดน้ําแบ่งบุญอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าไม่เสียเงินเสียทองมันก็ไ ม, มันก็ไม่เกิดบุญด้วยถ้าอยากจะเกิดบุญก็ต้องเสียเงินเสียทองไม่ใดอย่ า, าไปให้เขานั่นเองทำไปทําบุญได้อยู่แต่ถ้าเอ า, าของเงินไปไปไปทําบุญนี่เนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อเขาอาจจะหลอกเราเอาเงินไปทําเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้ค่ะ แนทางที่ดีก็คือถ้าเราไม่รู้จริงก็อย่าไปสนใจเลยับปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะอเจบกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะตลกสาธุค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นพวกที่ถูกเขาหลอกเนี่ยในทุกวันนี้หลอกกันว่าเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงกันทั้งนั้นใช่ไหมเวลายังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อพระพุทธเจ้าบอกการลามาสูตรอย่าไปเชื่อเพราะคนอื่นเขาพูดว่าน่าเชื่ออย่างนี้มันก็ ยังต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่ามีผีจริงหรือเปล่าผีเดือดร้อนจริงหรือเปล่าคุยกับผีได้หรือเปล่าสัมภาษณ์กับผีได้หรือเปล่าอืมันต้องมีหลักฐานเลยอันนี้ไม่มีอะไรหลักฐานพูดกันมาลอยลอยไม่ ไ, ไปเชื่ออะไรนะเพราการทำบุญทุกศาสนาก็คือก็คือไปสวรรค์เหมือนกันช่มรรคาตาใช่ถ้าทําทบุญมันก็จะไปสวรรค์ฝากฝากที่พระอาจารย์ค่ะว่าคุณ ค่ะมีคำถามจากคุณสมพีถามเข้ามาว่าเวลาจิตของเราไปจับกับคำตาหนินินทารู้ตัวว่าจับแล้วแต่วางทันทีไม่ได้ค่ะเราต้องพิจารณาไตรลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะโยมแค่นึกว่าจับแล้วค่ะถ้ายังไม่ปล่อยก็ต้องใช้ไตรลักษณ์ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้เขาไม่พูดไม่ได่าเราไม่ได้ เขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปมันก็จะหยุดถ้ายัางปล่อยไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดไว้ก่อนก็ได้เจ้าค่ะจากคุณหนึ่งลือไทยขอสอบถามเจ้าค่ะการ น, นั่งสมาธิให้ได้ผลมากๆในแต่ละวันควรจะนั่งสมาธิอย่างน้อยกี่นาทีเจ้าค่ะควรจะนั่งด้วยการมีสติไม่สนไม่เกี่ยวกับนาทีถ้าไม่มีสตินั่งเป็นชั่วโมงก็ไม่สงบ ถ้ามีสตินี้นั่งห้านาทีก็สงบก็จะนั่งได้เป็นชั่วโมงงั้นอย่าไปดูที่นาทีเวลาให้ดูที่สติถ้ามีสติแล้วการนั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานได้ได้สงบได้นานถ้าไม่มีสตินั่งไปยังไงก็ไม่มีวันสงบงั้นให้ไปเจริญสติก่อนให้มีสติเอามานั่งใจไม่ลอยไม่ฟุ้งอยู่กับพุทโธไปอย่างแล้วอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียว อย่างนี้เดี๋ยใดก็จะสงบนิ่งได้พอสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเหมันเจ้าค่ะจาก youtube เจ้าค่ะขอวิธีปฏิบัติสําหรับคนที่จิตไม่มีกําลังเจ้าค่ะก็ฝึกสติก่อนฝึกสติพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปก็ได้พุโทโธไปก็ได้ในใจทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับแล้วใจก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นมาตามำลำดับ ค่ะจากเฟซบุ๊กค่ะลูกสาวมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกคนต้องได้รับผลกรรมจากการกระทำของตนอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้อ ง, องอคำถามจากยูทู e กลับเรียนถามครับศาสนาพิธีทำสร้างพระเครื่อง มีพระพุทธคุณลงในพระเครื่องได้จริงไหมครับเราไม่ถามพระพุทธเจ้าอยู่ถามพระพุทธรูปดูคนมีพุทธคุณหรือเปล่าตอนนั้เจ้าของเขาตอบอยนะ่างนงี้ยถามพระเครื่องดูเครื่องที่เราสร้างขึ้นมาเนะี้ยคุณมีพุทธคุณหรือเปล่าอยากจะรู้จริงๆริงถ้าเขาไม่ตอบเราจะไปถามใครแหละเราไม่รู้เรื่องใช่ไหให้เราไปตอบได้ยังไงเดี๋ยวก็ไปตอบเดยกก็ไปเถีงกับคนที่ไม่รู้เรื่องว่าเขาามามี คนนึงว่ามีคนนึงว่าไม่มีแล้วคนไหนจะถูกอ่ะมันก็เป็นแค่ปากเปล่าพูดไปเท่านั้นเองถ้าอยากจะรู้ว่ามีพุทธคุณหรือไม่ไปกล่าวพระพุทธรจ้ถามหลวงพ่อถามจริงๆกันมีหรือเปล่ามุนี้บอกวันเออหลวงพ่อบอกวันนั้นวันนี้เราไปแทงดูให้มันถูกไว้ี้ก็แสดงว่าน่าจะมีพุทธคุณแล้วล่ะ เจ้าค่ะคําถามยังไม่มีเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีก็ท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะเลยเถิดเดี๋ยวจะเป็นการบอกใบบอกคุยไปถามเาลยครหลวงพ่อเจ้าครับผีหลอกลงถ้าผีหลอกหลวงพ่อหลวงพ่อจะจัดการใจยังไงเจ้าค่ะมันไม่หลอกเพราะเราไม่ได้ปล่อยให้มันหลอกผีหลอกมันหลอกมาจากใจเราเองถ้าใจเราสงบคุมด้วยสติตลอดเวลาผีมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ ผีเราไม่ใช่เป็นผีจริงผีอยากความคิดปรุงแต่งของจิตพ่อหนูพ่อหนูไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแต่ว่าไม่กลัวผีเจ้าค่ะก็เรื่องของเขาคนกลัวก็มีคนไม่กลัวก็มีหนูลองหนูลองถามท่านว่าทาไมถึงไม่กลัวผีหนูก็อยากไม่กลัวด้วยเจ้าค่ะบางครั้งก็ลองมาดูเลยเขาทายัางไงก็าทาตามเขาดูแก้ไม่ได้เลยเจ้าค่ ะ, ะไม่ได้ก็ไม่ได้ทำงําย แต่บอกให้ใช้สติเนี่ยถ้ามีสติกลมใจได้ถีไม่โผลขึ้นมารับประกันได้หนูหนูเคยลองพุทโธเจ้าค่ะแตว่ามันลืมไปชั่วขณะเลยก็ต้องอย่าลืมเนี่ยต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนย้ำที่หนูกลัวจ้าค่ะอต้องฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะได้เวลาโกลัจะได้ไม่ลืมพุทโธครับ่มีคนถามโยมอยากจะถามอะไรเลยกับนมัสการพระอาจารย์ครับเอจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า ความทุกข์ที่เกิดจากการแก่ชราทําให้เราเจ็บป่วยเนี่ยวิธีการดับทุกข์ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดจะต้องทํายังไงครับใช้ปัญญาเลยยอมรับความจริงว่ามันมันต้องเจ็บอะ่ะห้ามมันไม่ได้ทําใจให้อยู่กับมันไปทั้งนั้นก็หายทุกข์แล้วที่มันทุกข์เพราะมันไม่อยากจะให้อยู่กับมันอยากจะหนีจากมันอยากจะให้มันหายต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมัน ยอมรับความเจ็บอยู่กับความเจ็บไปแล้วใจจะไม่ทุกข์ก็เท่านี้แหละง่ายๆเร็วที่ 0. สุดคือห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เมื่อมันมาเราต้องต้อนรับมนันยินดีต้อนรับก็อยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยินดีต้อนรับใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีโอเคนะนอนด้วยยังเอามาว่ามา เจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กถามเข้ามาว่าขอเกิดถามเจา้าค่ะน้องชายมีนิสิตมากมาย คุณแม่ก็ไปช่วยน้องชายโดยการไปกู้ยืมเงินเจ้าใหม่มาปิดเจ้าเก่าทำแบบนี้เวียนไปลูกคนที่เหลือก็ได้ช่วยเหลือในการชำระ น, นี้ได้แค่บางส่วนเพราะจำนวนเงินเยอะมากจริงๆจนตอนนี้คุณแม่อายุเกือบ70ปีแล้วต้องออกไปหางานทาเพื่อใช้นี่ที่ตัวเองไปกู้มาซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่อยู่ทางานมาหลายปีแล้วพวกลูกๆที่เหลือที่ไม่สามารถช่วยในใช้นี่ให้แม่ได้ แต่ก็ยังส่งเงินเดือนที่เคยให้คุณแม่ทุกเดือนเหมือนเดิมจะเป็นบาปไหมคะเพราะคุณแม่ก็จะบอกว่าแม่เป็นทุกข์ไม่สุขสบายเหนื่อยตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะช่วยตามกำลังของเราไม่บาปทําตามกำลังของเราได้บุญอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะถามเข้ามาว่าพระอาจารย์ครับ ขอกราบอนุญาตถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาะสมาธิได้ชั่วเดียวเดียวเดียวจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านก็พยายามจะกลับมาตั้งกำหนดจิตตามลมเข้าหายใจพุทโธหายใจออกโธวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าปฏิบัติแบบนี้มาหลายเดือนแล้วไม่มีความก้าวหน้าเลยครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับเพราะเราไม่ปฏิบัติตอนที่เราไม่ได้นั่งเราต้องเจริญสติตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราต้องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยถ้าเราปฏิบัติทั้งวันด้วยพุโทโธพุโทโธไปเวลามานั่งมันก็จะสงบไม่พุ่งซ่าใช่ ค, ค่ะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคข อ, อาวเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ